คือจริงๆเรียนธรรมะ ม, มันต้องช่วยตัวเองให้มากๆครูบาอาจารย์บอกแนวให้ท่านนั้นเองก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าโดยศึกษาค้นคว้าลงที่กายกับใจของเรานี่ครับหวังพึ่งครูบาอาจารย์อย่างเดียวไปไม่รอ <laughs> ดหรอกที่เราต้องรู้ลงมาที่กายที่ใจนี้ ในความเป็นจริงแล้วทุกมันเกิดนะมันซ้ําซ้อนหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆอดีตมันส่งผลมาปัจจุบันปัจจุบันส่งผลไปอนาคตสืบเนื่องไปเรื่อยๆสังสารวัตมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้อริยสัจในอดีตเนี่แหละทำให้เราต้องมีตัวทุกคือมีขันห้าในปัจจุบันเพราะความไม่รู้ความจริงของขันห้าในปัจจุบันทําให้เรามีความทุกข์ในอนาคตความไม่รู้อริยสัจในอดีต ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดมาจนป่านนี้ทําให้ปัจจุบันนี้มีกายมีใจใกายกับใจหรือตัวขันห้านี้แหละตัวทุกข์ละนี้เราไม่เข้าใจตัวทุกข์ในปัจจุบันนี้เราปฏิบัติต่อมันไม่ถูกต้องเราก็สร้างพบทางใจสร้างความทุกข์ทางใจซ้าซ้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาอนาคตไม่ต้องชาดหน้าหรอกอนาคตก็คือขณะจิต ถ, ถัดจากนี้ไปเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดอีกล้ แต่ขันห้าที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้เป็นผลจากอดีตช่วยไม่ได้ละก็อยากโง่เองเลยมาเกิดหน้าที่เราก็คือรู้รู้กายรู้ใจรู้ขันห้าที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนี้รู้ให้แจ้งลงไปการแจมแจ้งรู้แจมแจ้งในความจริงของขันห้านี้เรียกว่ารู้ทุกนี่เป็นกิจอันที่หนึ่งในในอริยสัจถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกแจมแจ้งเมื่อนั้นละส ม, ททมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรร เรียกว่าแจมแจ้งในอริยสัจสี่เมื่อใดแจมแจ้งในอริยสัจสี่นะทั้งๆ ท, ที่ขันยังดำรงอยู่อย่างนี้แหละขันก็ซึ่งเป็นวิบากเก่ายังส่งผลอยู่ยังไม่ดับแต่จิตมันจะไม่ไปสร้างความทุกข์อันใหม่ขึ้นมาเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าขันห้ามันไม่ใช่เราขันห้านี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่มีใครสามารถแบกเอาขันห้าหนีความทุกข์ไปได้ขันห้าเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองธรรมะนีิลึก ลึกซึ่งเหลือเกินเคยได้ยินมาแต่เด็กนะเคยเรียนหนังสือเขาก็สอนเราอริยสัจใช่ไหมแต่ตอนเด็กๆใช้ไม่ได้เรียนแค่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเงี้ยแค่นั้นไม่พอตอนไปบวชอยู่วัดชนประทานนะเวลาทาวัดเนี่ยจะสวดมนต์แปลของท่านพุทธทาสมีบททำรรวัดเช้าหลวงพ่อชอบมากเลยมยีบทหนึ่งนะบอกว่าสังคิเตนะปัญจุภาณานขันธาทุกขา ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์หนึ่งรู้ทุกข์ก็คือรูปในขันทั้งห้านี้เองทำไมต้องมีคําว่าอุปาทานด้วยขันนั้นมีสองส่วนนะขันที่เป็นอุปาทานขันกับขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันนะปุถุชนไม่มีขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันก็คือพวกโลกุตตะละจิตทั้งหลาย ไม่จำเป็นต้องเอาโล ก, กุตตะละจิตมาทำวิปัสนาอเอาไม่ได้เกิดแล้วมันหายไปแล้วดับในขณะเดียวนันเองแต่เอาขันซึ่งว่าเรามีจริงจริงอยู่เอาของจริงที่เรามีคืออุปาทานขันนั่นแหละกายนี้เราก็ยึดว่าเป็นเราจิตนี้เราก็ยึดว่าเป็นเราเนี่ยขันซึ่งมันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นในจิตในใจเราที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละตัวตนอยู่ที่ไหนรู้ลงไปที่นั่นเนีถ้าจะพูดภาษาง่ายๆนะ สังคิตเตนะปัญจุปาทานะันธาทุก ข, ขาว่าโดยย้าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกทุกให้รู้รวมความแล้วก็คือให้รู้ลงไปที่อุปาทานขันธ์สิ่งใดที่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนนะรู้มันลงไปสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเป็น ต, น, ตนมีสองอันเท่านั้นกายกับใจรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจรู้อย่างนี้เรื่อยเรรู้จนแจ่มแจ้งนะแจ่มแจ้งเบื้องต้นนะเกิดทัศนะคือเกิดความเห็นถูกก่อน ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ทัศนะนะทัศนะเพราะฉะนั้นโสดาปติมัติเนี่ยเกิดด้วยทัศนะด้วยการเห็นสังโยชน์ที่พระโสดาละเนี่ยเรียกว่าสักายติทิวิจิกิจชาสิละพัตตาปรามาสังโยชน์สามอย่างนี้ละด้วยท <The mushroom> ัศนะด้วยการเห็นความจริงความจริงว่าไม่มีตัวเราพอเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายใจนี้ เวลาสักายทิ่ถีได้รู้เลยวิธีปฏิบัติไม่มีอะไรมากกว่ารู้กายรู้ใจเนี่ยไม่มีความลังเลสงสัยเรียกว่าลาวิชิกิจฉาได้รู้เลยเส้นทางเดินมีเส้นเดียวไม่มีเส้นทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอีกต่อไปแล้วเส้นทางเพื่อความบริสุทธิ์มีอันเดียวคือสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังลังเลอยู่นะเอรู้กายรู้ใจมันง่ายๆแค่นี้มันจะได้หรือ ทำอะไรที่ยากกว่านี้ยังไม่ได้เลยใจปุถุชนมันจะคิดอย่างนี้นะมันไม่ห้าวหาญที่จะรู้กายรู้ใจลูกเดียวหรอกแต่ถ้าเป็นโสดาแล้วนะนรู้เลยว่าไม่มีเส้นทางที่สองเชื่อแม่นแน่นแฟนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเป็นเอกายนะมัคเป็นทางสายเดียวทางสายเอกของเราก็ยังมีลังเลใจใช่ไหมนอกจากรู้แล้วจะช่วยมันคิดไห ม, หมรู้อย่างเดียวจะพอไหมต้องทาฌานก่อนไหม มีเรื่องมากเหลือเกินนะหรือว่าต้องไปทําบุญทํากุศลให้ถึงพร้อมก่อนเนี่ยต้องถือศีลแปดไหมถึงจะบัตลุได้อะไรเงี้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเรียกว่าเราเราไม่รู้ทางนะไม่รู้ทางไปนี่ศิลปะตับปรามาตลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกวิจิกิจฉาเนื่องกันน่ะนะ แต่เมื่อใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะตัวเราไม่มีจริงๆรู้เลยโอ้ทางเดินมีอยู่แค่นี้แหละรู้กายรู้ใจนี่แหละเรารู้เลยตัวเราไม่มีนี่ความทุกข์หายไปทั้งหลายส0บเนตแล้วนะไม่ใช่ความทุกข์หายไป2 5่บานะบางคนไปคิดว่ามีโสาสกิทาคานาคาพระอราหันต์มีอย่างลรยีได้โสตแล้วลดไปยีเปมันไม่เซอร์ขนาดนั้นหรอกนะนะไม่ซื่อบื้อยังนั้นหรอกพอได้โสดานี่นะความทุกข์หยาบหยาบนี่หายไปซะเยอะละ้ หายไปเกือบหมดเหลือแต่ความทุกข์ที่ละเอียดละเอียดขึ้นมานะยิงได้พระนาคาเนี่นะั้นเหลือแต่ความทุกข์ละเอียดนิดเดียวเองนะเหลืออยู่หเปอร์เซ็นต์อย่งประมาณนั้นอะ่ะไม่เกินสิบเอร์เซ็นตอกงานที่พระนาคาทําถัดไปนั้นดูว่าต้องลาสังโยชน์ห้าตัวนะสังโยชน์ห้าตัวเนี่ยคิดเนื้อที่ที่ครอบครองใจเราอยู่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราละไปตั้งแต่เบื้องต้นเอง เพราะว่าจิตของเรานี่ถูกกิเลสหยา บ, บๆครอบครองพื้นที่ไปเกือบหมดนะงั้นเบื้องต้นนะรู้ลงไปละสังโยชน์สด้วยทัศนะด้วยการเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีสังโยชน์เบื้องสูงอีกเจ็ตัวละด้วยภาวนาภาวนาว่าเจริญสติเจริญปัญญาไปมีสติรู้กายรู้ใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจในที่สุดเข้าใจแจม่มแจง้งกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วน เข้าใจความจริงว่ากายในี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์ขัดแจ่มแจ้งแล้วทันทีที่รู้ทุกข์ขัดแจ่มแจ้งแนละตัณหาคือสมุทัยจะดับอัตโนมัติเลยแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนะความดับคําว่าความดับไม่ใช่ว่ามีอยู่อย่างนี้แล้วก็หายไปแค่นี้เรียกว่าดับมันไม่แค่นั้นมันหมายถึงว่าไม่เกิดขึ้นอีกด้วยนะเฉะนั้นตัณหาคือตัวสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกนิโรธ นิโรธก็เกิดแจมแจ้งในพระนิพพานต่อหน้าต่อตาเองในขณะนั้นเกิดอริยมรรคขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเนี่ยในขณะจิตเดียวกันเกิดพร้อมๆกันนะไม่ใช่วันนี้รู้ทุกพรุ่งนี้รู้ละสมุทัยมาลืนแจ้งนิโรธมาเรื่องเกิดอริยมรรคไม่ใชนะ่เกิดในขณะเดียวกันองค์ธรรมฝา่ายกุศลเนี่ยประชุมรวมกันในขณะจิตเดียวกันด้วยอํานาจ ภาชนะที่รองรับองค์ธรรมนะอันนั้นไว้เรื่องว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนี่แหละความตั้งมั่นของจิตนี่แหละได้รวมอาองค์ธรรมฝ่ายกุศลนี่นะให้เข้ามารู้นิพพานพร้อมๆกั น, นรู้มรรคผลนิพพานพร้อมๆกันเรื่แจมแจ้งขึ้นทีเดียวนในขณะจิตเดียวนั้นฟังเหมือนยากนะไม่ยากเลยทาต้นทางให้ได้มันยาก กว่าที่คนคนหนึ่งจะขึ้นต้นทางได้แต่คนที่เดินอยู่บนเส้นทางนี้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่รัดสั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของมหาบุรุษเป็นธรรมที่ไม่เนิ่นชา้ารัดสั้นสถีปฐานนั้นผู้ใดทาถูกนะเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ปีต้องเห็นผลคนในครั้งพุทธกาลนะบารมีแก่กล้าเจ็วันเจ็เดือนเจดปีนะเป็นพระละหันหรือได้พระอนาคา ของเรารุ่นนี้7วัน7 GE, เดือน7ปีได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วนะก็อินรีย์เราอ่อนกว่าคนยุคโน้นเขาเนะงั้อดทนนะพักเพียนไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจกายมีอยู่คอยรู้สึกไว้จิตใจมีอยู่คอยรู้สึกไว้เราชอบลืมกายลืมใจเราชอบหนีพิคิดเราชอบไปรู้เรื่องราวที่คิดเราไม่ชอบที่จะรู้กายรู้ใจ กพากายกายใจไม่มีเรื่องสนุกให้รู้เรื่องที่คิดมีแต่เรื่องสนุกให้รู้คิดเรื่องโ น, น้นคิดเรื่องนี้สนุกเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเรื่องราวที่คิดนะเป็นเรื่องฝันฝันขึ้นมาเองใช้ไม่ได้ไม่ใช่ของจริงต้องรู้กายต้องรู้ใจนะวิธีรู้ที่ถูกต้องก็ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจแต่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติสติทาหน้าที่ระลึกระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจเรียกว่ามีสติ รู้ด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่ากายนี้เป็นไตรลักษณ์ใจนี้เป็นไตรลักษ์นี่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญา ไ, ไม่ใช่รู้ด้วยสติอย่างเดียวหลายคนภาวนามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เช่นไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจจิตก็นิ่งน่งอยู่กับลมหายใจไม่เห็นเลยว่ากายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เห็นเลยว่าจิตที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะ ละความเห็นผิดว่าเป็นเราไม่ได้ไปเพ่งอยู่ที่กายอันเดียวใช้ไม่ได้หรือดูท้องพองยุบนะไปเพ่งอยู่ที่ท้องมีสติท้องพองก็รู้ท้องยุบก็รู้แต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นว่ากายที่พองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่รูปมันเคลื่อนไหวมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกไม่เห็นหรอกว่าจิตที่ไปรู้ท้องพองยุบนั้นเป็นนามธรรมาอันนึงเกิดเกิดดับดับอยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าไม่เห็นไตรลักษณ์ ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะมีสติรู้เท้าแต่ไม่มีปัญญาเห็นว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราไม่มีปัญญาเห็นว่าจิตที่ไปรู้ว่ากายเดินอยู่นี่ก็ไม่ใช่เราเนีเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกายทั้งใจเดี๋ยถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่ถือว่าเป็นการทําวิปัสสนาหลายคนเข้าใจผิดนะคิดว่ารู้ท้องของยุบเราจะเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอก รู้ท้องพองยุบถ้ามีสติไปรู้แต่ว่าไม่มีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็ไม่เรียกว่าวิปัสสนาเป็นการเพ่งท้องเท่านั้นเองเดินจงกรมก็เพ่งเท้าไปเรื่อยๆหายใจก็เพ่งลมหายใจไปเรื่อยไม่มีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราดังนันเพ่งไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถกรรมฐานหลายคนภาวนานะร่างกายพองร่างกายยุบร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายยกย่างเหยียบรู้หมดเลย ร่างกายคู่ร่างกายเหยียดรู้หมดเลยแต่รู้ด้วยสติสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถกรรมฐานเดินไปแล้วตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักนะทีก็รู้สึกเหมือนฟ้าแลบวูบวูับปที่รู้สึกเหมือนมีมแมลงมาไต่ร่างกายเราไต่แขนไต่าขาไปสอนกันซิอีกนะว่าถ้ า, มาแมลงตัวเล็กนิยานนี้มแมลงตัวใหญ่เป็นยาณ น, นี้ยานอะไรเป็นเรื่องอาการทางร่างกายยานเป็นชื่อของปัญญา ไม่ใช่ชื่อความรู้สึกแปลกๆทางร่างกายนั่นเป็นปีติทั้งสิ้นเลยนั้นที่บอกว่าได้ยานโน้นยานนี้เป็นพระอริยะชั้นนั้นชั้นนี้นะัไม่ได้จริงดอกบางคนมียาน16บหนะตั้งห้าหรอบเจ็ดรอบ8ดรอบนะก็ยังทะเลาะกับสามีอยู่อย่างเดิมเลยมันไม่ใช่ของจริงของแท้ ไ, ได้แต่สมถะแต่เดิมครูบาอาจารย์รุ่นที่ท่านเอาธรรมะอันนี้มาสอนท่านรู้นะว่าไม่ใช่ ลูกศิษย์ท่านเรียนอภิธรรมหลายคนแล้วก็ไปทวงท่านลูกศิษย์ลูกหาไปทวงท่านบอกว่าที่ท่านเอาพองยุบมาสอนนี้มันสมถะนะมีปัศนัยานที่ท่านสอนนี้สมถะนะท่านบอกท่านทราบทําไมท่านจะไม่ทราบท่านเรียนมาเยอะกว่าลูกศิษย์ซะอีกท่านทราบแต่ท่านพูดเพื่อให้กําลังใจให้ลูกศิษย์มีกำลังใจแต่รุ่นหลังเนี่ยไม่รู้แล้วว่าเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่จะให้กําลังใจคิดว่าวิปัสสนาจริงๆนะก็เพ่งกันใหญ่เลยเพ่งเท้าเพ่งท้องนะ คนไหนดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจนะคนไหนดูอะไรก็เพ่งกันนั้นแหละกระทั่งสายหลวงพระเตียนนะหลวงพระเตียนชี ย, ยับแล้วรู้สึกหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเตียนหลวงพระเตียนเป็นพระแท้ๆเหมือนหลวงพ่อคำเขียนนี่พระจริงๆลูกศิษย์ลูกหาไม่ใช่หรอกทําไม่เหมือนท่านทําหรอกส่วนใหญ่เพ่งเอาส่วนใหญ่เพ่งเอาถ้าเราไปเพ่งนะถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ เราจะมีปัญญาเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเงื่อนไขอยู่ที่ว่าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือไม่นะเพราะฉะนั้นในพระอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นนะมีมิจฉาสมาธิใจจะเข้าไปเพ่งอารมณ์ไปแช่อยู่กับอารมณ์จะไม่เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณนะ์เ ะ, ะนนผู้ปฏิบัติทำกันมาหลายปี ทำไมไม่บรรลุมรรคผลมีแต่บู๊บบวาบ้ขาดสติแล้วก็นึกว่าเป็นพระอริยะกันพระอริย์ไม่ได้ขาดสติอย่างนั้นนะเกิดอริย์มากเกิดอริยะผลมีสติตลอดมีจิตตลอดไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยที่บรรลุกันไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาเพราะใจไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมันจะมีอาการยังไงมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่นี้นะเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะอยู่อีกส่วนหนึ่งกายกับจิตแยกกัน เราจะเห็นเลยระหว่างกายกับจิตมีช่องว่างมาขั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันแต่เป็นคนละอันกันเราจะเห็นว่าเวทนากับจิตก็เป็นคนละอันกันเวทนาเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากจิตจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูเราจะเห็นว่ากุศลและอกุศลเช่นโลภโกรธหลงทั้งหลายเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาผ่านมาผ่านไปมีช่องว่างมาคั้นระหว่างกิเลสกับจิต กิเลสกจิตไม่แนบเป็นเนื้อเดียวกันการที่เรามีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าขันนั้นนั้นมันห่างๆออกไปขันมันแยกตัวออกไปขันมันกระจายตัวออกไปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งสังขารกุศลและอกุศลทั้งหลายนี่อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกกันแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเราเรียกว่าเราเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วแต่ละตัวจะไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้าสภาวะธรรมเหล่านี้มารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจะรู้สึกว่าเป็นตัวเรานะคล้ายๆกับมีรถยนต์หนึ่งคันเราว่ารถยนต์มีจริงๆพอเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็พบว่ารถยนต์หายไปละเหลือแต่อะไหล่กองมาคือมาอยูนะ่มีอะไหล่หลายชนิดรวมอยู่รถยนต์ไม่มีจริงฉันใดตัวเราก็ไม่มีจริงฉันนั้นพอเรากระจายขันออกไปได้เราก็จะเห็นว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงๆหรอกนะ ตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือการเอาขันมาประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองมาเชื่อมโยงด้วยการหมายรู้ด้วยสัญญานั่นเองสัญญาเข้าไปหมายรู้ในกองขันนี้ว่าเป็นตัวเราสัญญาที่หมายรู้เอากองขั น, นเป็นตัวเราเรียกว่าสัญญาวิปัลลาดเรียกว่าบ้านะสัญญาวิปัลาดนะภาษาธรรมะเรียก อ, อย่างนั้นเลยคนที่เห็นว่าเรามีอยู่จริงๆเรียกว่าคนบ้าถ้าเริ่มเจริญสติน้นแค่บองบองนิดหน่อยนะถ้าไม่มีสติเลยนี่คนบ้าแท้ๆเลย คนขาดสติไม่เรียกคนบ้าได้ไงรู้สึกนะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจนี่แหละรู้ไปจนแจ้งแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันแจ้งได้เพราะใจมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูใจเราตั้งมั่นขึ้นมาได้เรียกว่ามีสัมมาสมาธิขึ้นมาได้มีหลายวิธีที่จะทําให้เกิดสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นอันหนึ่งทาฌานคนที่ทาฌานได้ก็ทาฌาน ทำฌานไปวิธีทำฌานก็คือให้รู้อารมณ์อะไรก็ได้รู้ไปอย่างสบายๆแต่ต้องเลือกนะอารมณ์บางอย่างไม่ถึงฌานอย่างท่องพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ถึงฌานถ้ารู้ลมหายใจรู้ท้องผ่องยุบอะไรนี่ถึงฌานได้ถ้าบริกรรมไม่ถึงฌานนะเพ่งลูกแก้วเพ่งไฟเพ่งเทียนอะไรนี่ถึงฌานไดนะ้นั้นเบื้องต้นเอาอารมณ์อะไรก็ได้ไม่สําคัญหรอกไม่สําคัญหรอกอยู่ที่ว่าใจเราพอใจในอารมณ์อันนั้นห บางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปบางคนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปไม่สําคัญเลยนะรูปแบบไม่สําคัญหรอกสําคัญที่เนื้อหาแต่การรู้อารมณ์นั้นต้องรู้อย่างสบายนี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะหัวใจจริงๆของสมถะอยู่ตรงที่สบายนี่แหละนะกว่าหลวงพ่อจะคลาเจอนะหลวงพ่อใช้เวลาทั้งนานหลวงพ่อเล่นสมถะกรรมฐานอยู่22่สิบนปะีเล่นอยู่นานมากเลยนะจับหลักได้เลยจะทําให้จิตสงบนี่นะต้องสบาย ตอนหลังมาบวชแล้วเนี่ยถึงได้มาอ่านอภิธรรมถึงได้เจอตรงกันนะในะอภิธรรมสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแม้นเราต้องมีความสุขต้องมีความสบายรู้ลมหายใจไปอย่างสบายสบายแล้วจิตจะสงบรู้ท้องพองยุบไปอย่างสบายสบายแล้วจิตจะสงบนะหรือท่องพุทโธพุทโธไปส่ไปสบายจิตก็สงบบางคนท่องพุทโธไม่สบายใจท่องชื่อแฟนท่องชื่อแฟนไปเรื่อยจิตสงบมีนะมีพระองค์หนึงทําอย่างนั้นจริงๆ ลกศิษย์หลวง พ, พ่อปุตตนะีท่านเคยเล่าให้ฟังทําอะไรก็ได้รู้อะไรก็ได้อันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้ไปอย่างสบายๆจิตมันจะสงบเข้ามานะแต่ถ้าจะถึงชานนะมันก็ประณีตลึกซึ้งกว่านั้นชานไม่ใช่อยู่ๆก็บีบจิตนะบีบเนะี่ยให้จิตซึมวูบลงไปอย่างนี้นะแล้วก็รวมลงไปอย่างนี้ยแล้วคิดว่าชานนะั้นไม่ใช่ชานนะนั่นมันฌานบ้านฌานเรือนนะคือกําหนดวูบลงไปก็เลื้อยลงไปที่พื้นเลยนะใช้ไม่ได้นะ อย่างเรารู้ลมหายใจนะรู้สบายสบายรู้ไปอย่างมีความสุขนะใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้ไปสบายสบายเสร็จแล้วมันจะเกิดนิมิตลมนะจะเห็นใน ล, ลมนี้มันใสลมนี้มันสว่างขึ้ น, นสว่างขึ้นนะเห็นเป็นใสรู้ไปเรื่อยเสร็จแล้วมันจะรวมเป็นดวงเป็นดวงกลมๆนะสว่างดวงเนี้เราแห้มใหญ่ให้มเล็กได้เราไปเล่นอยู่ตรงนี้เล็กๆใหญ่ๆอุ้ยสนุกไว้สนุกไ ว, กว้จิตมันเกิดปีติขึ้นมา นี่มันดีไว้เล่นมีเกิปีติขึ้นมาจิตมีความสุข้สนุกนะจิตมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นี้เรียกว่ามันมีวิตกคือจิตมันเข้าไปเคล้าไปจับอยู่ที่อารมณ์นี้โดยที่เราไม่ได้เจตนาแล้ะจิตมันมีวิจารณ์คือมันเคล้าเคลียวนเวียนอยู่ะในดวงกสิณนี้ไม่หนีไปไหนแลนะมีปีติมีความสุขขึ้นมามีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมา น, นี่เรียกเขาว่าปฐมฌานนะ จิตข้าวปถมมชานจิตมีความสุขมีความสงบนะมีนิมิตเป็นอารมณ์ไม่ใช่มีลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วนะแต่ว่ามีนิมิต ด, ดวงนิมิตนั้นเป็นอารมณ์นะถจากนั้นนะใจก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปรู้ไปเรื่อยๆนะวิตกมันจะดับวิจารมันจะดับวิตกคือการที่จิตเนี่ยตรึกถึงอารมณ์นั้นวิจารคือการที่จิตเคล้าเคลียอยู่กับดวงนิมิตนั้นพอมันดับลงไปวิตกวิจารเนี่ย มีชื่อหนึ่งว่าจิตวจีสังขารวาจีสังขารคำพูดของเราทั้งหลายนี้มาจากวิตกวิจารนะเพราะฉะนั้นพอวิตกวิจารดับไปคำพูดจะไม่มีลนะะนั้นพอคำพูดไม่มีใช่ไหมมันหมดการคิดนั่นเองหมดการคิดจิตก็รู้ขึ้นมาตัวผู้รู้ก็เลยเด่น ด, ดวงผุดขึ้นในฉับพลันนั่นเองนะทันทีที่วิตกวิจารดับไปคือจิตเข้าถึงทุติยฌานฌานที่สองนะทำเอก ทำเอกหรือสัมมาสมาธิแท้ๆนี่ก็ผุดขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูละนะตัวนี้จะเดินต่อไปก็ได้หรือจิตทรงอยู่แค่นี้แล้วถอยออกมาเนี่ยจิตซึ่งมันทรงตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูมจะทรงตัวอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูอะไรอะไรก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยจะเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูนะ นี่เส้นทางหนึ่งสําหรับคนที่ทําฌานได้คนที่ทําชาญไม่ได้ก็ไม่ต้องกลุ้มใจทําไม่ได้เราก็ทําไปอย่างที่เราทําได้นั่นแหละหลวงพ่อเกือบจะใช่คําว่าทําไปอย่างอนาถาแต่เกรงใจนะทําเท่าที่เราทําได้เช่นหัดสังเกตเอาใช้ปัญญาช่วยเราใช้สมาธิไม่ได้เริ่มจากสมาธิไม่ได้เราก็เริ่มจากปัญญาสังเกตไหมร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดสังเกตอ ย, อย่างนี้ไปเรื่อย เ e? นี่ยร่างกายที่กําลังพยักหน้าเนี่ยออจิตเป็นคนไปดูมันเข้าร่างกายที่ยกไม้ยกมือเนี่ยจิตเป็นคนไปดูมันเข้าฝึกอย่างนี้นะหรือเห็นกิเลสเกิดขึ้นในจิตเออกิเลสเป็นของที่จิตไปรู้มันเข้าหัดอย่างนี้เรื่อยๆในสุดใจมันจะเด่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูทันทีที่ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้เนี่ยครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่ามีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้เจะใจจะตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีมีคําว่าทันทีนะ ว่าทุกอย่างที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเร า, าเห็นทันทีนี้ปัญญามันเกิดแล้วเห็นไหมพอใจตั้งมั่นมาเป็นคนดูมันก็เห็นว่าทุกอย่างที่ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานี่ใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเรามีไหมไม่มีใครรู้สึกหรอกรู้สึกก็บ้าแล้วนะวิปัสรนาดหนักนี่วิปัสสาดมากทันทีที่เราเห็นในทุกสิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจะไม่ใช่ตัวเรา ถ้าสติะระลึกรู้กายจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราสติะระลึกรู้เวทนาจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราสติะระลึกรู้จิตสังขารกุศลละกุศลทั้งหลายจะไม่ใช่เรานะเสร็จแล้วตรงนี้ส่วนใหญ่บางทีผิดเพ่งผู้รู้นิ่งๆ่งอยู่รักษาผู้รู้นิ่งๆอยู่ตรงนี้ทําผิดอีกผู้รู้ก็ไม่ต้องไปรักษามันผู้รู้เองก็เกิดดับนะถ้ารักษาผู้รู้ไว้สูงสุดเลยที่จะทําได้นะคือไปได้แค่พระอนาคามีแล้วจะตันอยู่แค่นั้นไปต่อไม่ได้ เราต้องเห็นอีกตัวผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งจิตใจเองเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังเดี๋ยเป็นผู้ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเดี๋ยเป็นผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งนี่จิตใจเองกลับกรอกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นซ้าลงไปอย่างนี้นะ ในที่สุดจะเห็นในยขันทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเลยมีแต่ความเกิดเกิดดับดับขันทั้งหลายล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันหมดกระทั่งตัวจิตก็ถูกรู้ถูกดูนะมันมีจิตดวงหนึ่งไปรู้จิตดวงก่อนจิตปัจจุบันไปรู้จิตในอดีตจะรู้ซ้ำซ้ำซ้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่จิตไปรู้ตัวเองนะจิตไปรู้ตัวจิตเองในขณะเดียวกันไม่ได้จิตมันจะรู้ตามรู้ไปเรื่อยมันจะเห็นเลยจิตตะกีเผลอตอนนี้ไม่เผลอนี่นี่จะประเภทตอนนี้ก็เผลอแล้วก็ตอนนี้ก็รู้ว่าเผลอนี่เป็นไปไม่ได้ ก็รู้ว่าเผลอเนี่ยมีสติจิตที่เผลอมันขาดสติขาดสติก็มีสติไม่เกิดพร้อมกันนะเกิดทีละคราวแล้วตามรู้ไปเรื่อยในสุดปัญญามันแจ้งนะไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราเห็นอย่างนี้นะก็ แ, แจ้งขึ้นมาเห็นไหมว่าสัมมาสมาธิคือที่ใจตั้งมั่นขึ้นมานี่แหละทําให้เห็นไตรลักษณ์ทำให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะถ้าไม่มีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิมันจะมีตัวเราใจมันถลําลงไปนอนแช่ยังมากก็เกิดปิติ ดูท้องพองยุบดูลมหายใจดูมือดูเท้าดูท้องดูกายทั้งกายนะเพ่งเวทนาเพ่งจิตเพ่งจิตก็ได้นะเพ่งความว่างๆในใจของเรานี่เพ่งไปด้วยมันจะเข้าอารูปฌานไม่ต้องเรียนนะเข้ า, ารูปฌานะเนี่ยเส้นทางเดินนะเป็นอย่างนี้มีสติรู้กายรู้ใจมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู ก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เบื้องต้นเห็นอย่างนี้เบื้องปลายจะซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปก็จะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างทุกวันนี้เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างนี้ปล่อยวางไม่ได้มันยังมีทางเลือกมันยังดิ้นหาความสุขอยู่มันยังดิ้นหนีความทุกข์ได้อยู่ถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตน เห็นไหมคําว่าขันห้าเป็นทุกรุนล้วนเนี่ยคือสิ่งท <sch> ี่พระพุทธเจ้าบอกเรานั่นเองว่าขันห้าเป็นทุกขเห็นไหมมีใครเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ไม่เห็นเราเห็นว่าขันห้าเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าขันห้าเป็นทุกขเพราะฉะนั้นพวกเราจึงยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะเรายังเห็นว่าขันห้าเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจต้องรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนะรู้ไปเรื่อยเลยรู้มันทั้งชีวิตเลยนะ อย่าอยากนะถ้ามีความอยากแทรกมาไม่ได้กินกิเลสเอาไปกินหมดให้รู้เล่นๆไปถือว่าทุกวันเราจะต้องปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จ ะ, ะตอบสนองอัตราตัวตนของเราแต่เราปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านยกย่องผู้มีสติเราจะมีสติถวายท่านท่านยกย่องผู้มีใจตั้งมั่นเราจะมีใจที่ตั้งมั่นถวายท่านท่านยกย่องผู้ที่จเจริญปัญญาอยู่เราจะเจริญปัญญาตามท่าน เราจะเป็นสาวกที่ดีเชื่อฟังคําสอนของท่านเหมือนลูกที่ดีเชื่อฟังคําสอนพ่อแม่เ น, นี่ยเราต้องทําตัวอย่างนี้นะส่วนจะได้มรดกของพ่อแม่เมื่ อ, อไหร่นั้นะไม่ต้องกังวลหรอกทําตัวเป็นลูกที่ดีนะวันหนึ่งจะได้มรดกของพ่อแม่เราเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าเราจเจเริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปวันหนึ่งเราจะได้มรดกของท่านคือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่เป็นมรดกกองใหญ่นะท่าน อ, อยากแจ ก, กมากเลยแต่ไม่มีคนเอา นะท่านก็ร้องเปล่าๆนะมาเอาซี่มานะไม่มีคนเอานะคนไม่อยากได้มรดกของพระพุทธเจ้าอยากได้มรดกของมาร น, นะมรดกมารก็มีนะกลองมันคือมาไม่แพ้กันเลยนะมารนะคลองโลกนะในะคลองโลกธรรมะนะต้องต่อสู้เสียงแหบเสียงแห้งเพราะว่าธรรมะนี่มีปากน้อยที่จะพูดธรรมะปากส่วนใหญ่มันพูดภาษามารหมดแล้วนะ มันมีแต่ยั่วยุกันนะให้เกิดกิเลสต้องสู้นะพวกเรานี่เป็นคนส่วนน้อยนะที่จะได้ฟังธรรมะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังธรรมะเมื่อเราเป็นคนส่วนน้อยที่ได้ฟังธรรมะแล้วเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะรู้สึกเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็แจ้งขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราหรอกได้โสดาแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างจะได้พระอนาคาคาแล้ว จิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้านจะจบกิตในศาสนาพุทธแล้วชาติคือความเกิดคือความได้มาความหยิบฉวยซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือการหยิบฉวยเอาขันห้าขึ้นมาเป็นตัวเราไม่มีอีกเรียกว่าชาติสิ้นแล้วพระมรรจันคือการประพฤติปฏิบัติทำจบแล้วจิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเพราะอะไรเราได้ผลสูงสุดในทางศาสนาพุทธแล้วคือความพ้นทุกข์กิจที่ต้องทํา เพื่อให้พ้นทุกเนี่ยไม่มีอีกแล้วเนี่ยชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนะอันนี้แหละคือสภาวะที่สมมุติกันในโลกเรียกว่าพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ไม่เรียกตัวเองว่าพระอรหันต์นะไม่รู้สึกหรอกนะเพอะรู้สึกว่ามันไม่มีคนไม่มีเรานะัมันก็เลยไม่มีอะไรมันว่างว่างจากความเป็นตัวเป็นตนนะว่างจากทุกข์ว่างจากขันว่างจากกิเลส แต่ขันมีอยู่ไหมขันมีอยู่ขันที่พระระหันคลองอยู่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะพระระหันยังร่างกายของท่านยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่เห็นไมยังหิวยังหนาวยังร้อนยังกระหายยังเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จิตที่ไม่คลองขันแล้วเนี่ยไม่ทุกข์น ะ, ะเทศพอสมควรส่งกันบ้านต่อชาวเชียงใหม่เหลือสองคน นมาสการค่ะก็ดูจิตแล้วบ่อยครั้งที่เผยออกไปจากกายะะอะคนะ่ะจิตของตัวเองชอบคิดข้างนอกกายไม่ค่อยอยู่กับกายเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเออให้รู้ทันอย่างนั้นแหละการที่เรารู้ว่าจิตทิ้งปัจจุบันไปนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ปัจจุบันแล้วเพราจิตปัจจุบันกำลังทิ้งไปค่ะนะขอบพระคุณค่ะแต่คุณผู้ชายนุชเบอร์ห้าสามเชื่อส่งไม่ไปหน่อยนะรู้ตัวไว้นะอย่าขาดสตินะเล็กเล็กน้อยน้อย ก็ฝึกเอาไว้หลวงพ่อไม่เคยล่าเลยเลยนะหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะสมัยตั้งแต่คาราวานะน้นยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นนะเวลาที่เหลือนะจะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยทั้งๆ ท, ท, ที่เราเป็นคาราวานนะเราก็รู้สึกกายรู้สึกใจเนืองๆเข้าไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชมเชยนะบทีพระถึงขนาดตามมาถามเราเลย ออกจากอาจารย์มาแล้วพระวิ่งตามมานะก้าวมารุบๆรบ ๆ, ๆีมาถามโยมทำได้ยังไงพระทำาี่สิบปีไม่ได้โยมทำทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นนะถ้าประเภทนานนดูสัทีเมื่อไหร่จะได้ของดีันตั้งแต่ตื่นมานะรู้กายรู้ใจไปเดี๋ยวนี้มีจำนวนมากเลยนะที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยเห็นกระบวนการตั้งแต่จะตื่นยังไม่ตื่นนะกาลังจะตื่นนะจิตมันจะเริ่มคิดก่อนนี่เริ่มเห็นแล้ว ตัวยังไม่ตื่นเลยจิตมันเริ่มคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดนะแล้วค่อยๆถอยถอยถอ ย, ถอ ย, ถอยขึ้นมาหลุดั่วดออกมาข้างนอกนี่อ๋อตื่นขึ้นมาละพอตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้ปั๊บเลยจิต ค, คิดก็รู้ร่างกายนอนอยู่ยังไงรู้สึกหมดเลยความจริงร่างกายนอนอยู่นี่รู้สึกตั้งแต่กลางคืนแล้วตั้งแต่หลับนะั่นแหละพลิกซ้ายลิกขวารู้ตัวทั้งคืนเลยต้องฝึกนะต้องฝึกเอาอย่าละเลยไม่ใช่ว่ามีเวลา5นาทีแล้วก็ใจลอยเล่นๆไปก่อน5นาทีก็รู้ไป หานาทีรู้ได้สามครั้งก็ยังดีกว่าไม่ได้สักครั้งหนึ่งดีกว่าหลงห้านาทีนั้นนาทีหนึ่งสองนาทีนะมีเวลาเหลือเล็กๆน้อยๆรู้สึกไปรู้สึกไปดแล้วมันจะได้ผลอย่างรวดเร็วเลยเอาโยมเบอร์ห้าสามกับกับนมัสการหลวงพ่อครับคราวที่แล้วได้มากราบหลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อแนะนําว่าโยมเป็นคนคิดมากคิดทั้งวันเลยแล้วคิดไม่หยุดอืตอนนี้ก็ยังคิดอยู่เพราะจิตคอยจะไหลรวมไปกับความคิดแล้วก็แยกไม่ออก มันไม่เหมือนแต่ก่อนตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้คิดมันก็คิดไปนะ้รู้มันก็รู้ไปนะมันแยกกันอยู่ครับครับเริ่มจะมองเห็นแล้วนั่นแหละใจมันเริ่มตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิแล้วสังเกตไหมจิตที่มันคิดมันไม่ใช่ตัวเราสังเกตไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะคุณเห็นได้หมดแล้วห้จิตคุณเดินถึงตรงนี้ครับเริ่มจะมองเห็นแล้วอยากให้ให้หลวงพ่อช่วยแนะนําแนะนํานะก็คืออย่าไปเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ข้อนึงเลยนะสำคัญนะบางคนชอบไปแถมนู่นหน่อยเนะี่ยแถมนี่หน่อยนะแถมเกินสติปัฏฐานออกไปเสียหมดเลยนะของคุณเดินอยู่ในร่องในรอยที่ดีแล้วนะจิตของคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วอา<อ>จิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานล้วก็คอยรู้ขันห้าเขาทํางานเห็นขันห้าทำงานไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เราสักกันเดียวนะฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งใจยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีนั้นได้โสดานะ คนละเรื orn, orn, ่องกับที่ฝึกแต่ก่อนนะฝึกแต่ก่อนทำใจว่างๆแล้วบอกว่าได้โทษมันจะได้อะไรนั้นได้กว่ามว่างๆละกิเลสไม่ได้จริงหรอกกรบหลวงพ่อครับดีนะชาวนครสวรรค์นี้ใช้ได้เลยวันนี้อ้าต่อไปใครเอาอาจารย์อามหวานเอาว่าไปหลวงพ่อเจ้าขาโยง ไปร้องเพลงอย่างที่หลวงพ่อว่าร้องทั้งวันนึ้งคือหวานรู้สึกไหมใจมันโล่งๆขึ้นมาลูกและสามีเดือดร้อนมา ก, จากเจ้าค่ะอ้าวเหรอเราร้องเพลงไม่พร้อเลยเหรอก็เขาบอกว่าเพร้อขึ้นเรื่ อ, <c oughs> ๆอยๆเจ้าค่ะโยมอธิษฐานขอให้ร้องเพลงเพร้อเจ้ า, าค่ะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ทีนี้ก็พอร้องเพลงนีโยมก็สังเกตว่าโยมอินกับเพลงแล้วก็วันทีก็รู้สึกว่าวันบีบคั้นตามเพลงบันทีก็แบบว่าเหมือนแผ่เมตตาเจ้าค่ะนั่นแหละนั่นแห ล, ล, ละเรียกว่าเราเห็นสภาวะแล้ว แล้วก็บางทีก็แผ่ไม่ตามากๆก็มีความสุขร้องไปแผ่ไม่ตาไปก็มีความสุขอพอสุขเนี่ยจะรู้สึกว่าตรงกลางตัวเนี่ยจะว่างๆแล้วก็มีขอบอยู่ด้านนอกแล้วก็พอสักพักหนึ่งสุขมากๆมันจะลงมานิ่งค่ะเป็นธรรมฐานใช่ไหมจิกูเบกขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นหวานดูไปเรื่อยๆเลยจิตมีความสุขก็รู้จิตนิ่งๆลงไปก็รู้จิตว่างๆขึ้นมาก็รู้นะจิตมีปีติมีความสุขจิตอินหลงไปกับเพลงจิตเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลย แต่มันก็มีอัตตาเยอะเจ้าค่ะจะเห็นแต่เดิมตตมันก็มีแต่มันไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นไปร้องเพลงเป็นเครื่องอยู่นะ <c oughs> นะอาไปบอกให้ที่บ้านเพราอดทนนิดนึงแต่แต่นิ่งๆแบบวันนี้ตอนที่หลวงพ่อเทศหลังอาหารนี่ไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะมันมันเพิ่งทานข้าวมัง้งมันก็มัวไปนิดหน่อยอ๋อไม่มีปัญหาแ ต, แต่เบิกบานแบบเมื่อเช้านี่โอเคใช่ไหมเจ้าก็โอเคนะแต่จริงๆนะโอเคทั้งหมดเลยถ้าหากเรารู้สภาวะ จิตเราเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองก็โอเคจิตเบิกบานรู้ว่าเบิกบานก็โอเคจิตเบิกบานไม่รู้ว่าเบิกบานนะ่ะไม่โอเคนะแล้วถ้าร้องเพลงตอนร้องเพลงนิยมเ อ, อมีนิ่งนิดนิดติดอยู่ไหมด้วยคะมีนิดหน่อยอยังประคองไม่เลิกนะตอนตอนร้องเพลงก็ประของในลองร้องซิร้อง <laughs> เอาเอาซักซักท่อนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าประของไหม <laughs> เนี่ยหวานตรงเนี้ยดีที่สุดเลยนะฝึกอย่างเนี้ยนะรู้สึกอย่างนี้เอาไม่ต้องร้องนะหลวงพ่อแค่นั้นใช้ได้ล้วร้องแล้วเจ้าค่ะอ๋อร้องในใจใช่ไหมอ๋อร้องร้องปิดไม้เจ้าค่ะอ๋อเหรอเออใช้ได้นะใช้ได้นะงั้นไปร้องเรื่อยๆกรับขอบพระคุณเจ้าค่ะเอาเอาเมื่อกี้อาจารย์อาร์มยกมือก่อนเม็กเม็กเม็กอย่าไปกดใจมันนะ ความทุกข์กับชีวิตเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาปัญหากับชีวิตนะ่ะเป็นธรรมดานะให้รู้ลูกเดียวนะรู้เล่นๆไหมรู้ไปอย่างกล้าหาญเบิกบานทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวทั้งหมดเลยเมฆนึกเรื่องนี้ไว้นะทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวเพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรมามันก็ชั่วคราวทั้งนั้นแหละใจเราก็จะสบายนะมีความสุขอา้าวอาจารย์อามเอ้ยว่าย้ายไปขอนแก่นแล้วไม่ใช่หรือคราบประมาณปลายเดือนครับ แต่ว่าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะได้ย้ายไปอยู่นั่นต้องดำกว่านี้ครับเพรา ะ, าะมหาวิทยาลัยขอนแก่นมันชื่อมอดินแดง <laughs> ดินยังแดงเลย <laughs> อาว่าไปก็ช่วงนี้เรื่องขยับไม้ขยับมือนะครับคือผมสังเกตตัวเองดูว่าถ้าเกิดทำครบศึกสี่จังหวะเนี่ย มันจะไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะไปเพ่งคือมัน14จังหวัดนี้มันจะรู้หมดเลยแต่ถ้าเกิดทําเล่นๆแบบถูนิ้วมือหรือพลิกไม้พลิกมือธรรมดาเนี่ยมันจะโอเคกว่าหน่อยนึงแล้วแต่ถนัดแล้วก็คือช่วงนี้จิตมันไปผมไม่รู้มันไปคล่ําครวนหรือมันไปคือมันไปไข้ครวญเรื่องอนัตตาเรื่องความไม่มีตัวตนนะครับอาจารย์นาระวังไว้อันเดียรอย่าให้จิตฟุ้งซ่านในธรรมะนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆงานมีแค่ยิ่ง อย่าไปพ้นกว่าพิจารณาธรรมะมากรู้เล่นๆเลยมันเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมาไม่รู้มันมันมันมันเบื่อจริงนเนี้ยมันเบื่อจริงหรือมันเบื่อได้โทรศมันเบื่อจริงนะคือมันมีอยู่บางครั้งที่ผมเดินไปแล้วประมาณ239ติดติดกันมันรู้สึกว่ามันเห็นแค่อาการเดินเฉยๆตัวมันไม่มีอะไรผมก็แต่แต่มันก็เห็นได้นิดหน่อยนะครับผมก็ยังไม่เชื่อมันว่าเราเห็นจริงหรือเปล่าเออได้มันเลเห็นจริงๆแล้ว รู้สึกเป็นกันแหละแต่ไม่ได้จงใจให้เป็นอย่างนั้นนะเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ช่างมันแล้วนี้มันเรียกว่ามันเบื่อด้วยนิพพทาหรือว่ามันเป็นโทษหรือว่ามันเป็นนิพพทาแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นโทสักครับตอนนี้ใจมันเพิ่งตื่นขึ้นมาใจมันตั้งมั่นครับรู้สึกไหมตื่นขึ้นมามันโล่งๆมันสบายๆมันเห็นทุกอย่างเนี่ยอยู่ห่างๆไปเห็นโลกเหมือนความฝันครับจะเห็นอย่างนั้นแล้ดูไปขอบพระคุณมากครับเอาใครยกมือใครยกมือ อ่ะคุณนิลันใช่ไหมอ่ะว่าไปนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งพระเพียบไม่เป็นเออให้มันสบายๆว่าไปครับคือผมปฏิบัติโดยนิลันตามที่ไมตั้งงี้ครับตามที่หลวงพ่อแนะนำนะครับแล้วก็พอดีผมไปตั้งสมาธินะครับโดยการกำหนดรู้ลมหายใจ แล้วผมก็เข้าใจว่าเป็นาการรู้สึกตัวอะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดเพราะว่ า, ามันจะมีบางครั้งที่จิตนี่จะลงไปไหลไปเกาะกับลมหายใจนะครับแล้วก็เกิดปิติเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาผมก็รู้ว่ า, าผมเดินผิดทางแล้วใช่ใช่นะครับเพราะว่าผมฟังซีดีหลวงพ่อเป็นประจำ คราวนี้ผมมีความรู้สึกว่าตอนเนี้จิตมันตื่นนะครับตื่นแล้วใช่ครับจิตตื่นแล้วแนี่จะเต็มให้เลยนะนี่เขาตื่นแล้วเขารู้ว่าตื่นครับเป็นการตื่นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็ปีเศษตื่นแล้วก็หลับไปอืมนะครับคราวนี้ตื่นใหม่อืแต่ตื่นใหม่ผมผมมั่นใจว่าว่าตื่นแล้วนะครับก็เลยมากราบหลวงพ่อแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า การทำสมาธิที่กาหนดรู้ลไหายใจจริงๆเนี่ยไม่ใช่กาหนดที่รู้สึกตัวจริงๆนะครับมันรู้สึกสตัวปฏิบัติยังไงเนี่ยหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูไม่ใช่ให้ใจไหลไปอยู่ที่ลมผลพ่อทําให้ดูดูออกไหมดูออกครับใจมันจะไหลเข้าไปอยู่ที่ลมอย่างนี้แมวนะก็รู้สึกตัวไม่ต้องประคอง จิตขึ้นไปใช่ไหมครับปล่อยสบายๆนะที่รู้สึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แต่ตอนนี้เกร็งไปนิดหนึ่งแต่ว่าคุณตื่นแล้วนี่มันมีที่ตื่นช้าเพราะว่าติดสมถะมากใช่ครับหลวงพ่อเคยบอกแล้วกว่าจะฟังหลวงพ่อเข้าใจแค่ออกมานะใช้เวลาพิ่มเข้าใจเมื่อปลายปีตอนปีใหม่นี่เองครับเข้าใจแบบคิดว่าเข้าใจอะนะครับบางคนน่าติดสมถะหลวงพ่อไม่แก้ให้นะ คบางคนมันติดรุนแรงมากเลยแก้ไม่ไหวเคมีอย่างผู้ผู้เฒ่าคนหนึ่งนะาอายุตั้งเกือบ9ก้าสิบแล้วแกติดชาญอยู่ตั้งหกสิบปีอนะไรเงี้ยถ้าเราเขียกแกตื่นขึ้นมานะจิตแกจะฟุง้งซ่านสุดขีดเลยเดี๋ยวแ่ดูต่อไม่มีเวลาพอนะจะไปเอาบายซะก็หปีแล้วครับหลวงพ่อครับก็ยังดีครับผมหปีก็ยังมีผลงานนะ เห็นไหมว่าที่หลวงพ่อสอนพอคุณตื่นแล้วคุณลองไปฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนจะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกรแต่เดิมเราฟังแล้วเราก็ตีความไปอีกอย่างตีความไปเป็นสมถะได้ทั้งหมดนะ่ะตอนนี้เราฟังนล้วเราจะสติมจะปัญญามจะเดินเดินเดินไปเรื่อยคอยรู้สึกไปคราวนี้มันมีอาการแทรกซ้อนอันหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมจะมีความรู้สึกว่าที่ฝ่ามือนี่จะมีชิบะจรเดินแบบชัดเจนเป็นปกติ คือผมเ ข, เข้าใจว่ามันมันมันอาจจะเป็นอาการแซกซ้อนของสมรรถนะหรืออะไรเงี้ยครับเรกควรจะไม่ไ ม, ไม่ไม่่ต้องห้ามมันนะปล่อยไยอยม่เจ๋อเลยนะครับไมช่วยไม่ได้ไ ม, ไ, มไม่ต้องกังวลนะครับอา้าไม่ต้องกังวลก็เรามีกําลังภายในอะ่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะ้เก็ใช้พลังนี้แหละะสมมติว่าเจ็บที่นี่นะก็จับเนี่ยทาใจสบายนะจะมีพลังวิ่งออกไปเราวิ่งออกไปแล้วมันโคจรกลับครับคือผมไปผมกังวลว่ามันเป็นความดันสูงนะครับ ก็เลยไปเช็คอัพมาเมื่อวานซืนก็ปกติใช่มันลดความดันได้ขอบคุณครับหลวงพ่อครับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตัวเองนี่ได้ปฏิบัติมาประมาณปีกว่าแต่ไม่ก้าวหน้าเข้าใจว่าสาเหตุที่ไม่ก้าวหน้าเพราะไปยึดติดครูบาอาจารย์ทีนี้อยากจะให้หลวงพ่อช่วยแก้วิธียึดติดครูบาอาจารย์เพราะเพราะโยมคิดว่าสาเหตุนี้ที่ทาให้โยมทุกข์ ตั้งใจใหม่นะั้นครูบาอาจารย์เราก็เคารพนะไม่ใช่ไม่เคารพแต่ต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะครูใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้าอย่าไปติดตัวอาจารย์องค์น้นองค์นี้ท่านนั้นท่านนีนะ้ต้องฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระเจ้าสอนอริยสัจสอนสติปัฏฐานอย่าเงี้ยสติปัฏฐานก็คือวิธีรู้ทุกข์นั่นเองนะอริยสัจก็ทุกข์สมุทยัยนิโรธมรร ทางสายเดียวก็คือรู้ทุกไปคือรู้กายรู้ใจไปอย่าไปกําหนดอย่าไปเพ่งนะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติชอบไปเพ่งไปกําหนดชอบไปแทรกแซงไม่ได้เข้าไปรู้หรอกแต่เข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจทันทีที่คิดเรื่องปฏิบัตินะกายแข็งแขงใจแข็งแข็ ง, ขงใช้ไม่ได้หรอกนะสอนกันมาเพี้ยนเพียนนะนุ่นหลังๆรู้สึกเอาเราไม่ประมาท ร, ร่วงเกินครูบาอาจารย์นะอย่างน้อยครูบาอาจารย์หล่อเลี้ยงเรามา เรเลี้ยงเรามาทําให้เรายังไม่หลุดออกไปจากศาสนาพุทธอะไรเงี้ยทาให้เรามีศีลห้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอะไรเงี้ยกลัวบาปกลัวกรรมเนี่ยครูบาอาจารย์ทําคุณทําประโยชน์ทั้งนั้นนี้เหมือนกับเราเรียนชั้นมัธยมอะไรเงี้ยพอเราเข้าอุดมศึกษาเราไม่ได้ดูถูกครูชั้นมัธยมนะอ้าเบอร์เกองอาคุณก่อนก็ได้ครับกรรมนั้นมาสการหลวงพ่อครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่หครั้งล่าสุดเมื่อสี่มีนาหลวงพ่อบอกว่าผมให้ดูกายเพราะว่าติดเพ่งอ่อ น, ออนตอนนี้ผมก็เลยช่วงสองเดือนนี้ผมก็เลยปล่อยแล้วก็เริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่ของเราเ อ, อย่างเมื่อกี้หัวใจมันเต้นก็เต้นเองเอดุด ด, ดุบางทีบางทีก่อนมาวัอาทิตอาบน้ํานี่ก็ไม่รู้ใครอาบก็เป็นอัตโนมติหมดเลยครับนั่นแหละที่นี่ไม่ไม่ใช่ลืมตัวเองไปนะอาบไปเลื่ยไม่รู้นะครับอัตเนมัติตหมายถึงเห็นร่างกายมันอาบน้ำไป ครับใจเราเป็นแค่คนดูอยู่ไม่ใช่ตัวเราอับน้ําครับ2เดือนที่ผ่านมานี่ตกลงใช้ได้สิถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเดินปัญญาได้แล้วครับเราเริ่มเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปกับจิตใจเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละปล่อยให้มันอย่าไปบังคับมันแล้วแล้วตอนนี้ติดเพ่งเหมือนวันที่สี่มีนาหรือเปล่าครับ2เดือนที่ผ่านมาไม่เหมือนนะเพ่งน้อยลงไปเยอะเลยยังมีอยู่บ้างแต่ว่าอ่อนแล้วแล้วแตต้องไปดูที่ใจเราต่อ ดูเหมือนเห็นกายอ่ะร่างกายมันทํางานไปใช่ไหมใจเราก็ทํางานอย่างเดียวกันนะมันทําเองมันไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยทั้งกายทั้งใจไม่ได้จงใจดูนะสติรู้กายเราก็เห็นกายไม่ใช่เราถ้าสติไปรู้ทันจิตขึ้นมา<อ>ก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราไปเรืยฝึก อ, อย่างนี้ไปเรื่อยก็แค่นี้พอแล้วนะครับโอ้แค่นี้เหลือกินแล้วส่งไปข้างหลังไปข้างหลังนรมาสการค่ะท่านอาจารย์อยามา กราบขอบพระคุณท่านค่ะเพราะว่าเพราะคําสอนของท่านถึงทําให้เสียใจน้อยลงเพราะว่าเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็มีโอกาสมากราบท่านได้ปีละหนึ่งครั้งจึงอยากจะเรียนขอการบ้านแบบจิตใจโยมมันใช้ได้แล้วนะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้อยู่ที่ชั่วโมงบินแล้วในการฝึกคือทุกวันค่อยรู้กายทุกวันคอยรู้ใจไปเรื่อยนะชั่วโมงบินมันมากพอมันก็เปลี่ยนคุณภาพไป อย่าไปบังคับมันก็แล้วกันยังติดเพ่งนิดหน่อยนะเอาแพรี่แพรี่กลับนรัต ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือก็ตอนนี้หัดหัดที่จะดูเวลาจิตมั น, น, นสดี๋ยวเดี๋งพ่อบอกซะก่อนที่แพรี่ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วน ะ, ะดีกว่าแต่ก่อนนี้เยอะเลยรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาไปหมดแล้วรู้สึกคะ่ะหลวงพ่อมีความสุขรู้สึกไหมเห็นไหมโลกนี้ไม่มีอะไรหรอก โลกนี้ว่างๆยังไม่ถึงใจ <ไป S 2> อะค่ะหลวงพ่อไปดูไปหัด <คะ S 1> ไปเรื่อยต่อไปโลกนี้จะว่างเปล่าแต่เรามีความสุขค่ะโลกนี้เป็นทุกข์แต่เรามีความสุขกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะแต่เราก็ยังสุขอยู่ยงั่นแหละค่ะอ้าวแฮรรี่ว่าดไปคือมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อมีความรู้สึกว่า พอเราไปมองแล้วเห็นว่าใจมันไหลไปกาะไอ้ที่เรามองแล้วเราก็จะคิดพอคิดแล้วเราก็รู้สึกอะฮะแต่ไม่ได้เห็นบ่อยอะฮะหลวงพ่อฝึกนานครั้งที่แพรรี่ทำอยู่เนี่ยใช้ได้แล้วนะฝึกไปเรื่อยแล้วมันจะค่อยถี่ขึ้นเองอย่าอยากให้เป็นนะเขาเป็นของเขาเองนะเราฝึกจนไม่มีตัวเราอยากจะทํามหลวงพ่ออย่างหนึ่งอะฮะว่าคือตอนนี้คือตอนนี้ฝึกแบบว่าเวลานั่งสมาธิ ก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปกําหนดลมหายใจอะไรแต่นั่งแล้วมีความรู้สึกว่ารู้ว่ามีมีตัวนี้อยู่แ ล, แล้วพอพอใจเขาพอรู้สึกลมพอลมหายใจเด่นก็รู้สึกว่ามันลมหายใจออพอมันออกไปข้างนอกออคือได้ยินก็รู้ว่าได้ยินแล้วก็เท่าคิดแล้วก็รู้ว่าคิดอะไรเนี้ยถูกไป<ม>ห้าได้ไถูกเลยนะแต่เนี้ยดีที่สุดเลยที่ภาวนาอย่างเนี้ย ได้มันเห็นอีกอย่างหนึ่งคะ่ะหลวงพ่อคือมีความรู้สึกว่าความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันลึกๆแล้วมันมาจากรักตัวเองใช่อโอ้ภาวนาเก่งแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่คือต้องละตัวเองแต่นี่กลับเห็นตัวเองแบบโตขึ้นมันถูก<น>แต่เดิมอะ่ะมันโตอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นอตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเรามีอัตราตัวตวนเรารักตัวเอง ฝึไปเรื่อยๆต่อไปมันจะสลายตัวไปค่ะก็ส่งไปข้างหลังไปข้างหลังคุณเสื้อเหลืองนี่ก็พานาดีขึ้นนักสการหลวงพ่อนะครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยเช็คว่าเข้าใจสภาวะถูกต้องเปล่านะครับก่อนหน้านี้รู้สึกตะกี้นี้สักสินาทีรู้สึกจะง่วงๆอะนะครับตอนนี้รู้สึกจิตมันสดใสขึ้นตื่นขึ้นถูกต้องถูกต้องนะครับแล้วก็วันก่อนเนี่ยสื่อสารกับคนแล้วแบบเขาพูดจาแล้วทาให้เรา ขัดใจเราก็รู้ว่าเราขัดใจเสร็จแล้วโกรธไปนี่เราพูดไปปุ๊บเราก็รู้ว่าเราเริ่มโกรธไปแล้วนะแล้วก็มันเห็นแวบหนึ่งอะฮะอันนี้ก็รู้ถูกต้องใช่ไหมครับนะแล้วจริตของผมนี่หลวงพ่อควรจะแนะนาว่าพัฒนาคุณดูจิตดูใจไปเลยนะไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วครับผมขอบคุณครับหมอพีหมอพี นักนักสการหลวงพ่อคะ่ะคือหนูพี่ดูเอาได้ยังว่ามันมีตัวเรากลับมาใช่ค่ะหนูนนเห็นตัวเราที่หลวงพ่อบอกมันเป็นเงาเงาอยู่ตลอดนะคะแล้วพอจิตมันเห็นตัวเราตัวเราแบบแค่มันผุดไปคิดก็เห็นแล้วค่ะใช่นั่นแหละดีแล้วก็เห็นอาการถลำที่หลวงพ่อบอกค่ะคือเห็นชัดมากแล้วแบบบ่อยครั้งมากขึ้นนะคะว่าถลำไปเน<อ>ยแล้วก็พอจิตมันไหลไปคิดมันก็ดับให้เห็นอย่างเหมืนอนแบบรอยต่อได้ชัดไ<อ>งๆๆค่ะ แล้วมันมีอาการข้นควายู่ค่ะหลวงพ่ อ, อคือมันเหมือนมือยื่นไปหาจิตหาความคิดโอ้ดีมากเลยใช้ได้ดีแล้วนะ่าพี่ดูไปหมอพี่ดูไปด้วยนะวันใดได้ธรรมะนะจะช่วยคนอื่นได้เยอะเลยค่ะนะดีเราให้หนูดูตรงไปตรงนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่อย่าไปจงใจดูนะค่ะแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะแล้วเวลาเรารู้สึกถึงแบบดูแค่เหมือนความคิดของตัวเองที่มันเห็นเป็นตัวเราไงคะนะแล้วเวลามันเห็นคนอื่นมันจะเหมือน มันจะไม่มันเหมือนเป็นก้อนอะไรไปเลยใช่ไหมคะใช่เพราะมันพอเราไปเห็นสภาวะแล้วนะเรียกว่าเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเวลาเราดูโลกธาตุนี้มีแต่รูปธรรม ท, ทั้งหมดเลยมีแต่ก้อนธาตุมีแต่อะไรเงี้ยไม่มีคนไม่มีสัตว์รู้สึกไหมว่างๆไม่มีคนไม่มีสัตว์อะไรใช่ค่ะมันแบงแๆไปเลย ม, มันจะแบงแๆอย่างตอนเนี้เห็นหลวงพ่อเด่นอยู่คนเดียวรอบด้านมันแบรงไปหมดแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ ะ, ะเห็นชัดค่ะ แต่ว่าไม่ได้จงใจให้จิตเป็นอย่างนี้นะค่ะเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นแล้ว ม, มันเวลาเราเห็นคือ <c oughs> สติสติของหมอพีนี่มันแรงพอมันแรงมากนะอย่างเราดูคนในกลุ่มเนี่สมมตเราจะดูใครสักคนนะมันเหลืออยู่คนเดียวนะมันจะเด่นรุดออกมาหนึ่งคนนะนอกนั้นจะเลือนเบอรเบอรไปใช่ค่ะเนะบอ ร, ร์ค่ะเนะี่ยสติเราแรงมากไปนิดนึงอ๋อค่ะนะ แล้วมันเวลาเราเห็นจิตที่มันเริ่มแค่แบบมันเหมือนอยู่ในความคิดเป็นตัวเราพอเราไปรู้มันจะดับลงแค่นี้นใช่ไหมมันดับหรือแค่นั้นแหละไม่ทันสร้างปัญหาขึ้นมาดีนะภาวนาอย่างนี้ใช้ได้เดี๋ยววันหนึ่งก็ละตัวตนได้จริงๆคิงตอนนั้นหลวงพ่อเกรงใจมากเลยพยายามจะบอกให้นะสงสารอะเบอร์สามสิบสามนามสการหลวงพ่อทิคขลบก็ผมศึกษาไปบัติธรรมมานาน จนแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลยนะจนรู้สึกท้อใจว่าชาตินี้ค<แ>งไม่มีวาสนาแล้วนะ แ, แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็มีกิจยานามิตรเอาซีดีกับหนังสือหลวงพ่อไปให้ศึกษาฝึกรู้กายรู้จิต<แ>ก็รู้สึกจิตโล่งเบาขึ้นและนี้ก็มาวันนี้ก็คงต้องการ อ, อยากจะ กรรมการหลวงพ่อเก็บเรื่องแนวทางปฏิบัติว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปครับแต่เดิมเนี่ยโยมทําสมถะนะมันเป็นสมถะแต่ว่าสมถะที่ทําอยู่ไม่เสียหายนะพอมาถึงวันนี้เราจเจริญปัญญาเป็นเนี่ยสมถะนั้นเป็นกําลังเสริมให้เราเราจะดูจิตดูใจดูจดกายเนี่ยเราจะดูได้นานกว่าคนอื่นครับคนอคื่นเขาจะดูได้แวบเดียวเขาก็หลงไปนานๆเราไม่หลงนานโยมคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อยนะ เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันหันไปมาเห็นจิตใจมันก็ทำงานไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราดูไปใช้ได้แล้วโยมหนุ่มนี้ต่อมาก็ที่ทำอยู่ก็โอเคะปกติถ้าวันไหนอยู่บ้านทำปฏิบัติก็จะในชีวิตจำบ้างก็จะเกิดแต่ว่าวันไหนไม่ได้ทำก็จะแผลออกแผ ล, แผ ล, แผล okay. อยาให้หลวงพ่อแนะนำาเลยก็อย่าไปประคองมันไว้นะแต่ว่าทําให้สม่ําเสมอนะไม่ทําบ้างเว้นบ้างทำทำหยุดหยุดไม่ดีหรอกพอเราหยุดเมื่อไหร่นะกิเลสัะงอกขึ้นอีกใช่ครับเราใครรู้ได้ได้อ้าวว่าไปแบบนรรษการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้มีโอกาสฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ2เดือนแล้วก็ฝึกทำก็ บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าทําได้เจ้าค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าจิตมันหายไปเลยเจ้าค่ ะ, ะมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็บางครั้งเมื่อวานเนี้ยมันแน่นแล้วก็อ่านหนังสือหลวงพอออ่อมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เพ่งเจ้าค่ะแต่แต่พอมองลงไปว่าตัวเองไม่ได้เพ่งมันยิ่งรู้สึกอึดอัดแล้วก็แน่นใหญ่เลยอะเจ้าค่ะแค่จ <c oughs> งใจดูนะก็แน่นละแค่จงใจจะดูจิตะ ก็คือการเพ่งเรียบร้อยละหรือบางทีใจเราเผลอไปใจลอยรู้จักใจลอยแล้วใช่ไหมจใจหนีไปคิดเนี่ยพอเรารู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วเราไปดึงมานะก็แน่นแล้วมันแน่นง่ายนะที่คุณฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วละคุณคอยดูไปบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดก็รู้ไปนะอย่าไปละมันรู้ลูกเดียวเลยแค่ถือศีลห้าไว้เจ้าค่นะเมื่อก่อนนี้นั่งสมาธิ นานนะเจ้าคะแล้วก็พอมาได้ฟังซีดีก็พอนั่งสมาธิแล้ว เ, เริ่มที่จะจิตจะฟุ้งซ่านก็กลับมาดูจิตตัวเอง<ม>ดูกายตัวเองเอก็ดูไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะใช่ได้สิอย่า ง, งนี้เจ้าคะ่ะดีแล้วนะเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อคะ่ะ เดี๋ยวเจอสภาวะสองครั้งว่าดูนั่งสมาธิอยู่แล้วก็กลายก็หายไปแล้วสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าหัวหัวใจปีบแล้วก็ฟุบไปเหมือนลมมันเจอหมดสิ้นไปแล้วก็หลังจากฟุบไปสักพักหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาสองครั้งแล้วไม่ทราบว่าถ้าเกิดมาอีกต้องทำอะไรไหมอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลย อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คอยตามรู้ไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะคนนี้นะของคุณนะเดี๋ยวเรามาคุยกับพระองนี้มาจากอังกฤษค่ะรับพอดีคนนี้ชื่อลินดาเป็นลูกสาวเจ้าค่ะ วันนี้เป็นวันแรกที่พามาปกติเขาไม่มีเวลาออนี้เขาจะปฏิบัติเองที่บ้านออพอเขาเจอสภาวะเขาถามออโยมมาโยมตอบไม่ได้บอกว่าให้มาถามหลวงพ่อเองจับหลักง่ายๆเลยนะไม่ว่าเจอสภาวะอะไรเนี่ยพอเราไปเห็นสภาวะแล้วนะถ้าใจเราดีใจเราก็รู้ใจเราเสียใจเราก็รู้เมื่อรู้สภาวะแล้วเนี่ยมีความยินดีให้รู้ทันมีความยินร้ายให้รู้ทัน ให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆนะไม่พลาดหรอกแต่นี้เขาเคยสงสัยว่าระหว่างอ น, นความรู้สึกอันนีจังกับอุเบกขาเนี่ยอันไหนเกิดก่อนคือบางครั้งเขารู้สึกอันนีจังบางครั้งรู้สึกเกิดอุเบกขาเขาก็าถามว่าตัวไหนเนี่ยมันเกิดก่อนทีสองตัวนี้มันธรรมะคนละหมวดกันนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่พวกหนึ่งนะมีอุเบกขา มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่พวกหนึ่งนะมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขานี่อีกพวกหนึ่งนะธรรมะมันหลายกลุ่มแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมีอุเบกขาอยู่เรื่อยๆหมายถึงรู้ด้วยความเป็นกลางไหมนะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็รู้ความไม่เที่ยงด้วยใจที่เป็นกลางมีอุเบกขาอุเบกขาทิ้งไม่ได้นะมีอุเบกขาไปเรื่อยๆ เช่นเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วใจเรายินดีเรารู้ทันยินได้าเรารู้ทันเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาท่านนี้เขาถามว่าตอนที่เขารู้สึกว่าตัวจิตจะหลุดไปเนี่ยเขาพยายามจะดึงกลับเขามีความรู้สึกว่ามีผู้รู้อยู่คนหนึ่งแล้วเขาก็กลัวที่จะต้องหลุดไปเขาก็จะเก็บตัวให้รู้ทันว่ากลัวนะไม่ต้องกลัวหลุดไปเราไม่หลุดหรอกเดี๋ยวก็มายัางมากไปเที่ยวแป๊บเดียวก็มาแล้ว ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากําลังกลัวอยู่ให้รู้ทันจิตตัวเองนะสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตนะให้รู้ทันอยู่ที่จิตของตัวเองนะจิตจะหลุดออกไปแล้วเรารู้สึกกลัวให้รู้ว่ากําลังกลัวอยู่ดูที่ความรู้สึกกลัวอย่าดูที่จิตที่กําลังหลุดออกไปตอนนี้หนเูเคยมาหาหลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วเจ้าค่ะออตอนนั้นมากับผู้การ ระหว่างนั้นเนี่ยออกมาจากปฏิบัติธรรมจาก20วันก็รู้สึกว่าอยู่ในอารมณ์อุเบกขาออกมาแล้วก็นิ่งไปนิ่งไปไม่ดีนะค่ะต่นี้คืออย่างนี้คำว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวน ะ, ะแต่ว่าหนาวหรือร้อนนะก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเป็นกลาง ค, ความรู้สึกของเราปกติเลยไม่ใช่ใจนิ่งๆิ่งทื่อๆ อ, อ, อยู่ ถ้าใจนิ่งๆทื่อๆนั่นเป็นอุเบกขาที่เกิดจากการทำสมถะไม่เพ่งเอาไว้ไม่ทื่อค่ะเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่ารู้สึกว่าไม่เคยอยากจะยุ่งกับชาวบ้านนั่นแหละติดสมถะละค่ะนะเลยไม่อยากยุ่งกับใครเลยค่ะแล้วก็พอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามีครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าบุบบุบลงไปเนี่ยแล้วก็บุบเข้าไปลึกประมาณเท่านี้เจ้าค่ะมีความรู้สึกเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสุข มันเป็นสุขนั่นแหละจิตมันรวมลงไปนะมีความสุขขึ้นมาก็รู้ไปเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงดูอย่างนั้นนะอะไรๆก็เป็นไกรละแต่นี้ไม่ทราบว่าระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยโยมมีความก้าวหน้าขึ้นบ้างไหมเจ้าค่ะใจโยมโล่งกว่าแต่ก่อนนะล่งขึ้นใช่ไมเจ้าค่ะโล่งขึ้นนะเจ้าค่ะขับคน่ชยส่งมาข้างหน้าเลยนะเอาคนนั่นแถมท้ายหน่อยเอาเดี๋ยวไปข้างหลังหน่อย เดี๋ยวหลวงพ่อติดเบอร์แปนี่เป็นคนนะคนสุดท้ายแล้วกับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือตัวดิฉันเนี่ยชอบชอบทางนั่งสมาธิแต่ว่าการนั่งนี้อาจจะนั่งโดยที่ไม่ถูกทางก็อยากให้คําชี้แนะจากหลวงพ่อเจ้าค่ะเออได้เดี๋ยวโยมส่งใหม่มาเลยแล้วยมนั่งให้หลวงพ่อดูส่งมาข้างหน้าเลยนะส่งมาเบอร์แปยกมือไว้ คุณนั่งสมาธิไปอาว่าไปเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโยมที่นั่งสมาธิข้างหลังอะ่ะรู้สึกไหมเราน้อมใจเข้าไปให้น้อมใจเข้าไปข้างในอะ่ะรู้สึกไหมเราไม่น้อมใจเข้าข้างในนะเรารู้อยู่อย่างเป็นกลางกลางไม่น้อมเข้าข้างในไม่ไหลไปข้างนอกรู้เป็นกลางกลางรู้สบายสบายไปเรื่อยๆเยนี่ยเนีหลงไปอีกแล้วทราบไหมใจไหลไปนะรู้ว่าไหลไป รู้สึกไหมใจมันใสยไปใส่มาในะส่ไปใส่มารู้ว่าใส่ไปใส่มาฝึกอย่างนี้นะอย่าไปน้อมใจให้ซึมลงไปอ้าพอละอ้าของคุณว่าไปผมมีสิ่งแป๊บหนึ่งโยมรู้สึกไหมพอเราออกมานะมันคล้ายๆเราเบลเบล อ, ออกมาเลยนั่นแหละเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธินะั้เราน้อมเข้าไปมันะ เ, เลยติดสมถะออกมาพยายามรู้สึกตัวนะอ้าว่าไปมันมีสองสิ่งเกิดขึ้นนะครับ เมื่อตอนประมาณมีนาเนี่ยผมผมสงสัยว่าไอ้ตัวรู้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็อยู่ๆมันก็จิตมันก็ดูไม่เห็นที่มันเห็นแต่กายเคลื่อนไหวในรู้ตัวตลอดแล้วอยู่ๆมันมีอะไรมาอยู่ตรงนี้ครับมันเหมือนมองเห็นอะไรตลอดเวลาทีนี้ผมสงสัยว่ามันคือตัวรู้รู้ว่ามันคือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นครับตัวรู้มันก็อยู่ข้างบนอย่างนั้นแหละมันก็ดูลงมานะเห็นร่างกายมันทํางานไปแต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะ กำลำกำลังเพ่งนะมันเกิดห้ามเด็ดขาดเลยครับถ้าเพ่งนะคุณจะติดตัวนี้เป็นปีๆเลยแก้ยากที่สุดเลยครับนะไปเพ่งของอื่นนะยังแก้ง่ายเพ่งตัวรู้เนี่ยแก้ยากที่สุดครับแล้วแล้วมันมีอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลามันมีแรงดันที่กลางอกเนี่ยมีความอยากเนี่ยตันหานั่นแหละผมทราบแต่มันมีแบบมันมันเหมือนมันผมก็ไม่เข้าใจมันมันไม่ใช่แรงดันมันมีอะไรอยู่ อ๋อมันก็ยุกก็ยิ๊กก็ยุกยกยิกได้น ะ, ะก็รู้มันไปมันเป็นไงก็ได้บางทีก็เป็นก้อนก้อนหนักหนักทีก็เาบาเบาางทีก็ร้อนร้อนบางทีก็เย็นเย็นบางทีก็ขยับไปขยับมาแค่รู้เท่านั้นแหละแล้วเราอีนิด<ะ>แถมอีกนครับหลังจากที่ปีใหม่มานะครับที่ผมผมมันเพ่งเนี่ยแล้วผมเพ่งน้อยลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ นั่งสมาธินะมันจะไม่รวมเหมือนก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่รวมแล้วไม่ต้องรวมนะรู้รไปสบายๆรู้เท่าเหมือนอย่างที่ทำปกตินี่ดีแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่รู้ไปงั้นแหะนะนะครับมันจะไปรวมอีกทีตอนอริยมรรคจะเกิดก็ได้บางคนคไปรวมทีเดียวอนะมาส่งมาข้างหน้านะคนสุดท้ายละเบอร์แ1ด0ิบเอดโมงพอดีมาสการ์ค่ะเมื่อเช้าตื่นมาแล้วมันคาพูดไม่มีในหัวค่ะค่ะ ซึ่ง<น>เหมือนกับสมัยที่เคยนั่งอยงนูน้นใจใจมันนิ่งไปหน่อยนิ่งไปใช่ไหมคะนิ่งไปนะพอนิ่งแล้วมันก็แบลงแบ l a ไปว่างๆหายใจแรงๆไหมรู้อารมณ์ให้มันชัดขึ้นนิดนึงนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมนะาอาเชิญยมกลับบ้าน